เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย่คู่บาอาจารย์พ่อแม่ไอ้น้องเลชมะจาริเมช ร, รมะจารินีผู้หักแท่งเขาลบนับเือสุขทุกคนในโอกาส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 พอค่อยปฏิบัติตั้งแต่เวลาที่ห้องหนังสมาธิภาวนาเท่านั้นถูกอิริยาปลายเคลื่อนไหวใจนึกคิดต่างๆเข้าสิตองมีสติสัมปชัญญะคูับคู่มอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จิตใจเข้าเป็นแังไดโน่ในเมือ่อเข้าเห็นอาหารหวานข้าวเน่ายอยากเล่นกินเข้าได้อด อาหารมาจินข่ามือละเถิอในภาชนะอันเดียวนี้กระสิก่อนเกิดความหอยหิวความอยากแห้งขลืนกลัวธรรมดาจุบัดยื่นให้ขณะเดียวกันขันเขาว่ามีสติสัมัชฌัญะเข้ากระสีฝ่าวตะกุมตะกามฝ่าวตรรักฝ่าวเลือกเอาความอยากเป็นเรื่องของจิตใจอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหา ส่วนเาความหอยหิวเป็นเรื่องของทางร่างกายมันต้องการอาหารซึ่งกับเป็นปัจจัยที่ตังอยู่ใดคลองหลร่างกายของเฮ้าธรรมดาคนห้องระวาผืนและสัตว์ที่ใดอาศัยดินหนามลมไฟม้นเวียนเปลี่ยนไปกันด้ยวยกันสิมันก็เลกเกิดอาการหิวเพื่อสี เอาดินเอานามเอาไฟเอาลมเข้าไปแล้วก็มีการทายที่ความหิวเป็นเรื่องของท่างห่างกายกินเข้าไปพอดีพอง้ามมันก็อิม่มแต่ว่าความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตันหาที่มีในจิตในใจให้ทองของเข้าในหน่อยนี้สี่บรรจุใดใส่เข้าไปใด แต่ความต้องการของร่างกายคือความหิวใส่เข้าไปแล้วหัวจะอิ่มหัวจะเต็มแต่ส่วนควบหยากนั้นร่างกายทองใสของเขา้าบ่สามารถบรรจุควมอยากให้เต็มทองได้พอจังสันพอแมย์ไอหน่ อ, นองที่หากเพ่งพอเง ย, ยไม่ไงแตลอดทั้งหมูฟ้าสงอ่งเจา้า จะฮัวโจวหน่อยโมประสององกาสามะ น, นิเขาให้มีสติสัมปชัญญะว่าเฮ้าสิหุจักโพชนี่มาตั้งตาหัวประมาณการครบการชันการกินการอยู่ให้มันพอดีพองามกับทองในหน่อยของเฮ้ายาสุดตามเก่อย่างมันสิหล่นสเสลือ่า น, นเมนเฮ้งตักหลายมันสิเหลือเมื่อเหลือแล้วคัวิยกะ ส่วนกับเศ้าเบา บ, า, บางเองไปแล้วข่วมอยาพอสา ม, มารที่สิอินใดแต่กระทองบ่อนยังขึ้นไปน้าเฮาจะเอาไปถิมไปวบนอย่างไดบานี้ถิมไว้กัเป็นส่วนเฟอส่วนเกินยอมบ่สมควรกับข่วมเป็นพุทธสาบกลุลศิษย์ของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเฮาคนสอนในเฮา หูจากประมาณในการกินการอยู่การเหตุเองก็ตามขันพ่อดีแล้วมันดีอีกนิวหนึ่งกับขุนศิเดขิดแต่อ่านว่าพอ่อเมย์ไอหน่องป่องไปว่าทรงองค์เจา้ามีหลายโหบหลายองค์มีหลายผูหลายคนหลายบาทหลายเมืองหลายพอหลายเหนมานํากันเอาคุนสิขิดหอดไปอยู่ทางหลัง สมุดวาห้องตักเข้าไปนีเกิดปู่ทั้งหลังพอเพียงบอกพ่อแต่ทั้งห้องนี่หลนเรือมันก็นสิเกิดการพอพ่อตีเขอให้มีความหักความแพงเผยแผ่เมตตาปานีิเกิดมาจากจิตจากใจบังเงี้ยงสกุลกั น, ก น, กนขันมันคือเร็วกระสีนใดเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นรัดอื่นคนเอื่นให้โลกนี้มี พวมอึดจากขาดแค้นห้อยหิวโภชนาการต่างๆในทวีปอฟริกาในประเทศอินเดียประเทศที่นีกจนในแต่ในประเทศฝรศั่นในในรงโซเวียตรัสเซียกับมีปัญหาเรื่องการอยู่การกินขาดแค้นพ่อถึงสัน่นเอาทั้งหลายคนสิขึพินิพิจารณาด้พุ่นกะพีนี่กั น, นองคันตัก หลายทั้งนี่ทั้งหลังสิบพ่อบบให้ห้าสิบบาทอย่างสั้นคนไม่เลือกอะไรเสียดายมันเลยเอาไหว้ให้คาราวะหย า, านโนมผู้อื่นผู้อื่ได้อยู่ได้กินค่วมพ่อดีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมผู้อิ่นบำ ม, มัดตะภาษาบาลีว่าพ่อดีพ่อดีพอดีอดกลางๆเข้าเรืงหลายคนสิได้คือแต่อ่าน เหตุอย่งนี้ไก่มันพอดีพองอาำนั่นคือการปฏิบัติธรรมเป็นสติบุรุธโดยเฉพาะ เ, ออเรื่องอยู่เลี้ยงกินนี่มันสำคัญเกี่ยวพันกับจิตกับใจขันกิน้ายร่างกายกับสินักสินดนวงเกิดขุ่มห่วงเงาเฒานอนเ้่างาบงอับนั่งสมาธิเท่าเดียวก็อยากนอนพระพุทธเจ้าก็เข้าคนบอกว่า จัตตาโรปัญจาอาโลปิเวอาโลเปพุทธว่าอาลังพาสุภิหารายประปัญิตตัตสสภิกุโนภิกษุทั้งหลายเี่เมื่อกินเขาไก่สีอิมเลือสีหัคำให้เข้าซาแล้วก็กินน้มตืมลงไป สิเกิดค่วมพ่อดีอะลังอาลังแปลว่าสมาสาาสาโโสข่วรพ่อดีผาสุขิหาลายเนี่ยไผงตัตตาสะพิคนสิเกิดคววมพอดีเกิดความผาสุขเหมาะสมแก่ภิกษุแก่บุคคลผู้ที่มีตนทรงไปแล้วจกเฮื่นจากสร้างเพื่อประกอบความเพียรอย่าลืมว่าถามมันหลายไปนั้นมันบ่พ่อดีเสิเกิดทุกข์ ความอยากนอนตีเหลียงบุไรแก่ปัญหานีปตก๊กเฮาบ่ได้ขุดดินซีนใหม่แบกใหม่ไงคอนอียังการใส่เหือใส่แห้งเิ็กบ่มีความจำเป็นหลายจำเป็นสิใส่เหือแห้งทางสติปัญญาทั้งความผากเพียนพอเหตุนั้นข้อให้มู่เฮาเจ้าข่อยแต่พินิจพิจารณา เล้วก่ะอาหารการกินที่มีอยู่ตอนหนา้าตอตาที่เข้าเห็นนี่อย่าสุภาพกันเบื่อหน่ายเด้ออย่าโศหีเดียดสิ่งมูนี้ขอใหพ้พากกันแต่คืดให้ดีๆว่าการที่เขากินใส่บาทใส่้าชนะอันเทียวนี่ไม่มีประโยชน์ในการคัดเกาในการกฟื้นฟตนเอง ฟูแล้วคนเด็กก็แบบโอ้ยจิจกินจังใดๆเน้อหวานเนี่นะเยเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อย่านบ่ถือการว่างไฟในถ้วยในชามในปา่ากอันเดียวคนเป็นจริงที่สุดก็คือเมนวาเฮาสะกินคนละเทะ่าไรงนี่ยมันจะไปร่วมกันอยู่ในทองในใสในพุ่งอันเดียวกันเข้าจะบิดขอกตองเทียงกันพ่วงแซพพ่วงนวผ่านปลายลิน้นผ่านลําคอไปแล้วกระเบิ เมื่อหดลดบทฉาิแสบน่วดทั้งหลายมันสิสัวขู่สุญญามสวอยู่ในปลายลีดในใําข้อเลวมันก็จะไปค้งอยู่ในถองเป็นการเปรศภาพออกเป็นรอเหลี่ยงอนุภาคต่างๆของห่างกาลพระพุทธเจ้าเข้าันจังบอกว่าอัญญาพุ่นเช่ น, นะยาเป็นตังจามีสุอนาไปกินนันตี บอรีบวอกอาหารอันเจือปนกันยั่งอัตภาพให้เป็นไปบอกหัวซาดน้ำคว่มแสบทั้งหลายคนว่าข้มอมองคมว่าเมื่อกี้นี่นั้นข้มอมันว่าบ่อยากแหงแต่้เข้าในแสบนวมันแสบก็จะไปแสบน้ำมันการกินอาหารเผื่อให้อัตภาพร่างกายตัางอยู่ใด การกินอาหารเพื่อให้อย่างกิเลสให้มันอ้วนให้มันตุยให้มันพี่คือให้กิเลสอ้วนกิเลสพี่ก็มีเล่เข้าสิกินให้กิเลสจอยบอกงวาซาน้ําความเทปพระพุทธเจ้าเพิ่นจังว่าการเมสุอนาเปกขีนันติแปเป็นภาษาลาวอิสานบาลเขาวา่า บอ่อหัวซานนำเสบตั้งหลายขันเท่ามามั่วหัวซานนำเสบมั่นกระสีเลนไปตามอำนาจของกิเลสตัหาการกินอาหารนั่นเป่าไม้ก็คือเพื่อล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่เย็นเป็นชุกยางอัตภาพหนีให้มันอยู่ไปไหนเพื่อประพฤตปฏิบัติสิ่งทีดีที่งาม แต่ว่ากันเข้ากินอีกแบบหนึ่งตามอกตามใจความอยากความปรารถนาะมันเกิดจะไปตืมให้กิเลตอ้วนร่ว น, วนสมบูรณ์กลายเป็นข้นบรสามารถติสีควบคุมจิตใจเจ้าของใดการที่เขาจะไปควบคุมเอาความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัวใหญ่พอแม้ของกเกลเอเตะนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที ลำบากเพราะเจียงสันเฮาก็เลยต้องควบคุมฝึกฝนตั้งแต่ข้องหยับหยที่เฮาได้หัวได้เห็นอย่างนี้ให้มันงายลงส ก, ก่อนแล้วก็ค่อยเล็กลงไปทั้งขั้วละเอียดอ่อนของกิเลสต่าหาเพราะเจียงสันเมติยามกินเขาพระพุทธเจ้าของเฮาควนค่อยเบาค่อยว่าเล่าวนให้เฮาได้ขึ้น อาคธิโตอมุมจิโตอนาชาปโนโภายนัตสาวีนิสรณปัญโยสาบินทะปะโตบริพุนเชติบริโภคอาหารบินทปบาทนั้นบอ่อฝ่าวเขียวบอ่อฝ่าวหยัมบ่เฝ่าวกืนบ่อ หลงอ่อนซอนสยบเลี้ยวเห็นโทษเลี้ยวเห็นพายหู้จักท่างออกปลดปล่อยตอนเองด้วยสติปัญญาพ่วมเบาอย่างสีมีคุณค่าท้งดา้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติน้นเป็นข้องละเอียดอ่อนเพราะไงเป็นไงไอ้หนองเตียงแพลงเอ้ยครูบาอาจารย์เอ้ย เรั่องว่าห้าสีเข็ดคือเหรินเฮือนดอกหน้าฝ่าตักจรวงจ้ ว, วงเอาเนี่ได้สีแสบเนว่ได้สีนัวมูสีใดหรดือผู้ใดก็สร้างทัางหลังว่ดแต่ขาพระเจ้าขานีใดโพชนี่มาตันตุงเอาพุ่งเป็นประมาณในการบริโภคอินเต็มท้องเรื่อแล้วค่อยไปอกถิมสัง่งว่ามันเช่นสี่คนกรเอินว่าอนุโซตาคามีเลนไปตามกระเซ่คอมกิเลตันหา เตว่าข ja like like like ันห้เห็ดคือพระพุทธเจ้าห้องบอกคอยตักเลือกพอดีกรบทองกับใสแสบบะแสบอินกินกับบะฝาบเหีบบออีลุบบับสดแล้วเขียวน้ำลายไล้มือนีปั่นมาคำเข้าไว้จ่ออีกมือหนึ่งจับยัดเข้าไปงําปลวบปลวบกืนเกือกเตรียมน้มไปทายาตามันเข็นมัน ห่างจังสี่บอกแม่นกินเหลี่ยงร่างกายแต่เป็นการกินเหลี่ยงกิเลสเนาะจะกินสากระดีจะกินไหวกระตามห่างกายร่างกายห้องทีได้รับถอเเอาเตว่าขันกินไว้ไหวมาหลวบหลวกบหลวกกิเลสใจอาหารเหลี่ยงในกิเลสตามอกตามใจ บ่สามาที่สิ ท, ทดกำลังบังชาของกิเลสให้อ่อนโตลงขันกินซาซาบอ่อตามใจอยากบอ่อตามใจเสีเสียพยาหัวมันหย่ำตัวยหลตัวยเบิงล่มหันใจไปน้ำเบิงจิตเบิงใจไปน้ำมันก็สิเหตุแห่กิเลสจ่อยกิเลสท น, นจะก้วนได้ทนใดดังไกลมาติบอ่อฝ่าวบอ่อหิ อาคัจโตอมุจิโตอนาซาป น, นุบ่ฝ่าย่าบ่าฝ่าว่กินบ่ลงมัวม่วเมานําเสบหรือบ่เสบพญรหัสสาบีอาที่นาวถัดส า, า, ดสาบีว่าเป็นผูเลียวเห็นโทษเป็นผูเหลียวเห็นภัยในความหลุ่มลงมัวเมา มีเสนปัญโยมีปัญญาหาทางออกจากกิเลสทหา น, นโดยการบวาวิาหิบังเงียงยเจาะเปิงการกินก็บสิกินเดืยดหาวละมักระวังเริ่มตั้งแต่ตักอาหารเข้าก็บสิตักแกงพอดีพองแมอยากแห้งๆก็บสิพอเอาไรเป็นไร ข้าวตักตามควุมอยากกันรับโล่งมากินบะเบ็ดกินบะเบ็ดหมูที่อยู่ทางลังกาสิบิโพ้ข้อมบอกควอมวานนี่บะเมนหัวงบะเมนเพง่งเตวายากให้ห้าวจะฝึกฝน อ, อ้ปรมจิตใจมือใหม่ๆมาใหม่ๆนี่อาจสิตักเลือกเมืออ่อเอามาอาจสิบิโพอ มื่ออาสิพอดีโลกคุมมือนี้ขาดแค้นคนทุกคนอยากเหื่อยแย ง, งสะเวดิฮะนั่นก็ะยอนบอกกินหลายกินเลี่ยงกิเลสหนึ่งบอกมันกินแต่ทั้งปากกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดั้งกินทั้งไอทั้งขี้กินทั้งจิ๊บทั้งไก ตึงต้องเป็นทกปัญหาหน้านาประการเกิดขึ้นเพราะว่ญญาหยาดกันกินกินทั้งต า, า, า, าหาเนว้อไม้ตาฟังกินทั้งหูหาแนว้อไมาห้หูฟังกินทั้งดังหาแนวมาใม้ดังดมกินทั้งปากหามาเสาะปากไฟลีนให้เลียนได้ซิมกินทั้งกายสัมผัสหนมนวน กินทางอารมณ์ทางใจกินบ่จะอิ่มกินบ่จะเศร้าคหดจางสันคหดจางเสือปยาบ่เศร้าบ่แล้วบ่ทั่วงพอาะเหตุนั้นการมาตักอาหารกินกะดีการไปนนางกินกะดีขอให้คอยคอยผิดเจตนาอย่าฝ่าวอย่าเห็นเด้อ เทาจะได้เห็นนำหนาตัวกิเลสตัวตนาโตมันผ้าเฮาแหลนเฮาเต็ดเฮาขึ้นสวรรค์เฮาตกมาลกได้พิษของตองเที่ยงนอนหญาดข้อมูลิตรันพ่อแม่โูกเต่าพิษกันยอ่มาเมื่อนีมาฝึกมาคาักาามาจบมาซ้อมมาสิงมาเบิงเจ้าของเบิงงกายเบิ้งใจ ใจมันเป็นยังไดเพรานั้นการตักอาหารของเ้าาก็ขอให้ตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะแล้วอย่าลืมผู้เพิ่มาสนับสนุนมาเลี้ยงเกียบเพียอเมืองเพิ่อนอยากได้ผลไดุ้ดซน น, น, น้ำเห้าผู้ลัางคนทั้งมาปฏิบัติพร้อมทั้งมาเลี้ยงหมูน้ำพี่น้องทั้งเมืองเลย เป็นวาวเจอยอยังว่าหันมีรถไม่มีี่ยออกเงินมาพอดีย 4, สี่พันมาเสือเนวจูเนวกินเรียนพีเรียงนองโพ ป, ประพฤตปฏิบัติธรรมตนเองกับว่านุงขาวหอมขาวประพฤตปฏิบัติธรรมน้ำเงินทองเรานี่ไปทำการทำงานกรุงเทพกรุงไทย เก็บหอมรอมริบด้วยความหยาบความจนพัดผากากพอจากแม่พี่น้องไปได้เมื่อแล้วแทนที่จไปมวนไปซื้อสือ่ันเกงเสือผามานุงอวดบานอวดเมืองตามภาษาคนหนุ่มตราบโขดหัวเหล่าเกาหัวหยาเอามาซื้อเนี่ยจูเนี่ยกิน เรียงทีเรียงหนองบำรุงภูประพฤติสิ้นประเพฤติถ้ำที่ดีที่งามตนวเองก็ได้มาประพฤติปฏิบัติตนําโอ้ยโ อ, อนซ่อนจิตอ่อนซ่อนใจด้นาอคนห่างบ่คือกันบ่คือกันแท้จิตใจคนเห่วงสางบุญสางบาปสางกรรมบ่คือกันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนูทรงให้มาเป็นคนอย่างสิ พวกเข้าทั้งหลายที่ได้มาอยู่มาประพฤติปฏิบัติกระโค้ให้ระลึกนักถึงคุณงามความดีอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลเพื่อผู้ที่ได้มาสนับสนุนขำจนได้ห้องเอาบุญแจกจายยายปั่นกันผู้ที่มาทําบุญทาทานทั้งหลายกระโคให้ซึนชมกิดนดีการได้เหตุจังสี่หายาก แถวเบิร์ปีกหายอหอยที่ปีหนนครูบาอาจารย์เพลินผ้าเอาปุ้นอันเป็นบุ่น อ, อยต่อยปุญนบริสุดธิ์ข้เเา เ, น, า น, เ น, น่าเสียเองแจ๊กเสียจังเลวน้องเอาเงินไปจางมาหนุงขาวหอมขาวมาอยู่แต่ห้องใหม่กินเขายเดีเยว ไปที่เยวเชิญทุนันทุนีตัวแพนดินดิมาตองเสียคารถลไปหาเชิญจากคาร์ลดคาเรื่องกระจกมาโอ้ยมีเงินเป็นแสนห้องกระเห็ดไปวันนี้บุนคคลเราเนี่ยล้วนแต่เป็นผูมมีความบริสุทธิ์ใจไฟทรมเพื่อนเอิรนวาวันนัดโผไฟทรม มาจากไกลๆพา ก, กันมาเสียเว ล, เวลานอนกับดินกินใต่หงมไหม่ทำกลางอากาศอันหนาวเหน็บรู้สึกเกิดฝ่าเกิดฟ้นอยู่เหอนโย่ซานเฮาบอึดปอยาบะเม็นว่าเฮา อ, อึดโย่บะเม็นว่าเฮา อ, อึดกินบะวามบะเม็นว่า อ, อึดปนโย่นเศร้าเหอนซ่ า, า น, าานาล้านแปะเครืองนุ่งคองถือ อ้าวมีจริงเรานี่สมบูรณ์อยู่บ้านอยากสิกินย่มได้กะกินนอนรับรับลุกมากินเหมือละซ้ำเทือ่สีเถ้อนอนอยู่ฮื่นลมพัดกะ บ, บ, บ่ฟิวมีห้องหับประหมรวมอุน่นหอมบ้านตลอดห้าวมือสาอยากตื่นยามได้ก็ไรเดว่าบัดนนี้มานอนกับดินกินไต่ห่มใหม่ดูในถ้วยในพวงผาชนะอันเดียวเอกเกปานหมานี A ่ มาเพื่อฝึกเพื่อครับคิดใจของตนเองเพื่อเสียงมันเห็นค้วมเป็นจริงของชีวิตคนโบราณันว่าหาอีนังกับบ่หน า, อาทอหาตนจนอียังกับบ่จนทอปันจนปันญญา หาตัวตนของเฮาให้ตัวตนมีแกนมีซานเป็นแก้วเป็นแบนมีสิมี ท, ทำานหายากง่าพระพุทธเจา้าคนเคยบอกมีพวกฝูซาสามสิบคนนำหาแม่นิ่งแม่นิ่งคนหนึ่งรักเอาเสือเอาผ า, าเพิ่นแล้วก็นำหานำไปนาไปไปเปพาะกับพระพุทธเจา้าเห็นแม่ยิ่งเมื่อนี่บ่หอดเสือหอผผามากว่าสัน พวกกน่อยทั้งหลายนำหาเขาหลักเสือหลักผ่าไปยิ่งผู้สาวได้ไว้สัตวพระพุทธเจ้าพนกเลยว่ามูเจ้าสินำหาไม่ยิ่งผู้สินำหาโตเจ้าของเห็นแล้วบ่โตเจ้าของเกงเที่ยวไปนำหาผู้อื่นพวกนั้นรีว่ากันพบเไปแวเอาเมียนควบนเด่นี้เนาะ บนบทท่านหูเมือเจ้าของเลยดูอเนี่ยบอกหูมือขีงบอกหูมือคุ่มบอกหูเมือใจเอินว่าบอกหูมือตนโตบอกหูมือเนือบอกหูมือขีงว่าเฮาเนี่คือผู้ใดเกิดมาเหตุยังสืมีชีวิตอยู่ไปจังได้มีแต่กินแต่โยมวนเฟือนตายไปตกในโลกเขินตะวันเวรเส่เมื่อเสด็จทั่วเป็นพ่อพ่อท่านอ้วนไปหาตนพระพุทธเจ้า่เขาก็เลยหาตนไปหาพุทธเจ้า บวชสํมเพลิงก็เลยแสดงทําให้ฟังอัตตาที่ปาอัตตาสละนาธรรมะที่ปาธรรมะสละนามีตนเป็นทีเพิงที่อาศัยมีโตตนเป็นทีระลึกถึงมีธรรมะเป็นทีอาศัยธรรมะเป็นทีระลึกถึงให้มีสติปัฏฐานหูวเมือ่อขี้หูวเมื่อข่วมหูวเมื่อใจหัวเมื่อหู้อยู่ตลอดเหล่าเห็นตัวตนที่แท้จริง อันเป็นชีวิตที่แท้จริงสิว่า ม, ม, มีทุกข์ผมมีโซกดับเป็นทีบรรเทาเบาบางคววมโศกเศร้าคัดเกาค่วมทุกข์ให้สูญสิ้นไปบรรลุธรรมอันเถิกต่องทึ้งฟังพนิพานบารองเกิดตายผู้คนเราเนี่ยหาโตเจ้าของพอเลยได้เป็นโอรัน ให้เฮ่ามาเนี่กับมาหาโตมาหาตนหาโตให้พ่อไอเห็นมาหูวจักชีวิตนหยหู้โตไดมันพาอยากโจอยากกินโตไดมันพาอยากหายโตไดมันพาหายหักห้สซั่งโตไดมันพาอุพาอังพาหอะโโป่สง่าพาหัวเติร์หั ว, หหหวเติรนว่าบอกเปไ็นลายแห่งสลายนอกค่อยไงไม่ไงถ้งมืดหนีเฮ่ามา้าเปลือฝึกเปลือกหัดอบรมตนเองบ่เม็นมากหย่อนอึด เขากินโบได้ม่านอนอึดนิวเศษพบเดม่านอนจยากนอนบนอ น, อนอนดีๆอยากนอนตีแังดีอยากซื้อมานอนกลางตีินเตะห่มใหม่ลองไปไงเมย์เท่เขา้าโบเมนมาเพื่อว่าอยากซืมาเที่ยวมามวนมาเซินฟังหลอกฟังล่ำพ๋อแมนว่ามาเพื่อเสดงห่มย่างดีสิ่งบนันเขาไม่มีโชคบุญเท่สิ่งที่เขามานนัเพื่อสิ หาทางออกจากความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้ลกปลุกให้เตือนเพื่อนบอกกล่ากันฟังให้เหตุนํำทำตามหกเมื่อเก็ดเมืเท่าที่เฮาสิมีเวลาได้ยอยู่นรกันโดนนานมาแล้วหลายส่วพอแม่เฮาบอกเคยมีครูบาอาจารย์ ผ้ามาฝึกหมาดมีแต่เอินเข้ามาทา่ท า, นทานท่านเดอนท่านทิดทานหาได้เป็นเทวดาบนสันฝายย้อนย้อนหนวเท่านัน้นมันบ่เคยมีเพั่นเซมมาเอินให้เขามาพากันทำความเพียรมาบอกให้เบิง้งจังสันเบิง้งจังเสียหายอยากเต่ท่ั้งเธอคูบาอา จ, จารย์เพิ่นหลมให้ตายจากไป ผู้ใดที่ศิมหภาอาวนแนวนี้อีกต่อไปอันนี้เป็ น, นบุญแทะบุญอ่อยต่อยเป็นเอื่นวากองอุศนพระพู้เเจ้าเข้าบนงบามพิสุทั้งหลายขันผู้ใดสิเบอกให้ถือว่ากองกุศนกองกุศล น, นั้นผู้นั่นสิตองเบอาถึงการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เลยคือกองกุศน์ที่แท้จริงที่ถือต้องะ ไม่ยังเลยสติปัฏฐานพวกนี้ออไม่งสาติเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยแปลว่าระลึกใจภาษาฝรั่งว่าไมฟุนเนตเป็นว่าภาษาลา ว, อ, าลาาวา อ, อีสานบวานเห้าว่าหูเมือ่องหูเมื่องหูเมื่อสติปัฏฐานแปลว่าบอลหูเมื่องี่อันกายเพศหนาะจิตธรรมอันนั้นก็เป็นภาษาบาลีฟังเนะ กายคือขี้เวทนาคือค้วมห่หวงวสุวัทุกจิตคือใจใจเป็นจังไรธรรมคือความหู้มซึกตามสภาวะทั้งมัดสติประธานสี่ก็คือหูเมื่อขี้หูเ ม, มื่อขวมหูเมื่อใจหูเมื่อหู้ ห่วมือขี้งขี้งกำลังกบกำลังเงืยกำลังขู่กำลังเยียดกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินจอบเบิ้งเจ้าของคือเบิ้งผู้อื่นพ่อเพิ่นนี่ยกำลังใส่ตักแนวกินี่เพิ่นนี่เพิ่มนั่งอยู่เพิ่นนี่เพิ่มยืนเพิ่นผู้นี่เพิ่มงางโมเป็นเท่าเด็กเนี่เบิ้งกระงให้คือเบิ้งผู้อื่นขันเบิ้งอันนี้ยากหัวมือโตยากกามาห่วมือข่วม ห่วมสุขหวมทุกข์หวมอยากตักไล้ห่วมอยากกินเสพห่วมพ่อใจข่วมบ่พ่อใจโอ้ยบ่พอใจนี่อยากไรครูบาอาจารย์บอกมิเตเนวเสียหายนอเหตุอันใดก็คือจังบ่ขังหูเมือมันเข้าไปบ่เมนเท่าเป็นผู้สั่งบ่เมนเท่าเป็นผู้อยากไรเขาผลบักกิเลสปุนาขันนั้นจะหูมาใจเดู๋ยนี่ะ ใจห้องนี้เล้ว่ายังไงวอายงไ้ของที่อานใจเป็นยังไงกันใจฟ่าวฟ่าวยากินฟ่าวจะงำฟ่าวากตักเอาเลยไล่เพารื่อว่าใจสงบใจสบายใจอ่อนซ้อนสะอาดเจ้ของเด็สมาบุญหลายเทนอได้มาปฏิบัติธรรมนาเพินคูบาอาจารย์เรือว่าใจบุไวอยากหนีกินบ่แสบกินยากินซา ตื่นแต่เลือกลลูกแต่เโสกินเขาซสวยๆเป็นแต่จะเป็นโลกก็พะตายเป็นโลกขาดอาหารตายอมมาผ่าตายแต่ผ่านนังรถใจมันพาเป็นกี่เละอยู่นี่ใจมันพาเป็นห้าวอย่าไปเขียดอย่าไปคบอย่าไปียังมันโหนจากมันจากสิขึ้นกับโหนเมื่อหูผู้ใดที่เป็นผู้โหนจะกลอกแจกแหลกหูวว่าหักหูวว่าสั่งหูวว่าเหมือหูวว่าแจ่ม